ที่ชื่อว่าที่ลงอุเบกปณียกรรมคือถูกสงลงโทษเพราะไม่เห็นหรือไม่ทําคืนอาบัติหรือเพราะไม่ยอมสละทิฏฐิบาป ค, คําว่าโดยธรรมโดยวินัยคือโดยธรรมใดโดยวินัยใดคําว่าโดยสัตุศาสต ร, ร์คือโดยคําสั่งสอนของพระชินเจ้าโดยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําว่าโดยไม่บอกคือไม่บอกสงผู้กระทํากรรม คำว่าไม่รับรู้ชันทาของคณะคือไม่รู้ความพอใจของคณะภิกษุณีคิดว่าจะเรียกเข้าหม่จึงสแสวงหาคณะหรือสมมติสีมาต้องอบัตทุกกจบยติต้องอบัตทุก ก, จ บ, ออบ ก, กจบกรมมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรมมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาทิเศษคำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน คำว่าปัทมาปฏิกะคือต้องอาบัดพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมรภัทคำว่านิสรณิยะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตนั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังฆาทิเศษ